ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้นสะดวกขึ้นมากนะไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะสถานที่เข้าประอาหารหรือว่าน้ำไฟสมัยที่หลวงพ่อคำเขียนท่านเริ่มไปปฏิบัติกรงพ่อเทียนนะตอนนั้นท่านยังเป็นโยมที่วัดป่าพุทธิยานเนี่ย เมื่อเกือบห้าสิบปีที่แล้วเจ้าที่ท่านบรรยายนี่มันแตกต่างจากวัดป่าสุกโตเวลานี้มากทีเดียวนะแค่ผ้าพลาสติกเนะี่ยที่จะมาใช้ทำเป็นเพิงนะกันฝนนี่ก็ยังหายยากแม้แต่น้ำใช้นี่ก็ต้องเดินทางกัไปไกลเป็นกิโลนะ กว่าจะได้น้ำมาใช้อาบเทียนหรือว่าน้ำมันการนี้ก็คงจะมีไม่มากก็ต้องใช้อย่างประหยัดแม้ก็ทําไว้ป่าสุขโตเมื่อ3าสิปีที่แล้วเนี่ยตอนที่อาตมามาให ม, ใหม่เซนาสนาก็ขาดแคลนนะต้องไปปลูกเพิงอยู่ใต้ต้นไม้ก็มี ไฟฟ้าก็ก็ไม่ได้ใช้สะดวกนะวันหนึ่งก็ใช้ได้แค่ชั่วโมงเดียวเนาะอาศัยไฟปันจากสนังงานนะที่เขาปลูกป่าสวนป่าเนี่ยอาหารก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่สมัยนี้นี่นะทุกอย่างก็สะดวกสบายมีน้ำไฟใช้นะ คำว่าหาบน้ำนี่ไม่รู้จักกันแล้วนะหาบน้ำไฟก็มีใชนะ้ตลอดทั้งวันหรือทั้งคืนก็ยังได้ยิ่งอาหารด้วยแลวนี่ก็มากมายนะแล้วก็เป็นอาหารที่ประณีตนะอันนี้เป็นความสุกสบายที่คนรุ่นเรานะได้รับซึ่งมันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมาก จะเดินทางนะมาวัดป่าสุขกโตรหรือว่าไปปฏิบัติธรรมที่สำนักไหนก็ง่ายเดี๋ยวนี้นั่งเครื่องบินไปก็มีบางคนก็เดินทางจากกรุงเทพมาถึงนี่วันศุกร์เย็นมอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็กลับไปทำงานได้แต่ก่อนนี่แค่จากแก้งเคราะห์มา ที่พระปาสุกโตนี่ก็สองชั่วโมงนะเพราะว่าทางมันไม่ได้ลาดยางเหมือนทุกวันนี้ยิ่งหน้าฝนได้แล้วเนี่ยเป็นหลุ่มเป็นบ่อใช้เวลาสองชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่า น, นั้นนะเพราะว่าติดลมก็มนะีเดี๋ยวนี้ลงไปข้างล่างแกล้งเคราะหก็แค่ครึ่งชั่วโมงบางทีไม่ถึงด้วยซ้้เลือกเป็นความสดกสบายที่ 30ปีที่แล้วยังนึกไม่ถึงเลยนะหนังสือหนังหานะเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายพระไตรปิฎกนะสามารถจะมีเก็บไว้ที่บ้านเลยด้วยซ้ําเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อนะเป็นชุดแล้วมีซีดีนะซีดีพระไตรปิฎกคนะงไม่มียุคไหนนะที่พระไตรปิฎกจะเผยแผ่ได้กว้างขวางเท่ายุคนี้ หนังสือท ร, รมากก็พิมพ์กันเป็นล้านๆเล่มจะฟังคำสอนครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ไม่ยากแนละ้วมันไม่ใช่แค่มีซีดีเท่านั้นนะแต่ว่ามีเข้าถึงได้ทาง youtube นะบางทีก็อัดคำบรรยายของครูบาอาจารย์ใส่ไว้ในแฟลตไดฟ แผ่นชิ้นเล็กๆเนะอ่าเดือนก่อนนี่ก็มีคนให้วิทยุมานะมาถวายที่นี่ไม่ใช่เป็นวิทยุอย่างเดียวนะสามารถจะเปิดฟังอคําสั่งครูบาอาจารย์มีคําเทศนานี่เป็นร้อยๆเลยนะยังไม่ได้นับดูคิดว่าจะเป็นพันด้วยซ้ํำนะเป็นคำบรรยายของครูบาอาจารย์ทั้งต่างๆนะเป็นพันเลยนะ เป็นเสียงท่านนะแท้ๆเลยยี่สิปีก่อนเนี่ยไม่นึกว่ามันจะสะดวกสบายขนาดนี้นะจะฟังคำสังครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้และเดี๋ยวนี้ก็มีนะเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ y o u t u เนี่ยอยากจะฟังครูบาอาจารย์คนไหนอยู่ประเทศไกลแสนไกลแค่ไหนก็เปิดได้ เาเคยไปยุโรปนะเมื่อสักสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยญาติโยมที่นั่นหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเปิดฟังคาบรรยายของพระอาจารย์เป็นประจำเลยนะทาง YouTube อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นความสะดวกมากนะในการที่จะเข้าถึงธรรมะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมะ ครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนนะก็ไปหาได้ง่ายมากอันนี้มันผิดกับสมัยก่อนนะได้อ่านประวัติของหลวงตามหาบัวเนี่ยตอนที่ท่านได้ยิงกิตติศรรัพท์หลวงปู่มั่ น, นสมัยเป็นพระหนุ่มเรียนปริยติธรรมที่นครราชสีมาโคราชท่านก็สนใจการปฏิบัติธรรมนะได้อ่าน พุทธประวัติแล้วก็ประวัติของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ทําให้เกิดศรัทธานะในการปฏิบัติธรรมก็คิดว่ า, าจะเรียนประิยะติธรรมก่อนนะแล้วก็ถ้าได้ความรู้พอสมควรแล้วก็จะได้มีแนวทางในการปฏิบัติได้ยินกิจศักดิ์ของหลวงปู่มัน่นจากที่นั่นที่นี่ก็ยังไม่สามารถจะไปหาครูบาอาจารย์ได้นะ จนกระทั่งเรียนจบนะั้นได้ไประโยชนสามแล้วเนี่ยเออถึงค่อยอมีโอกาสที่จะเดินทางไปหาหลวงปู่มั่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปหาได้ง่ายนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโทรศัพท์นะหรือถึงมีก็มีแค่จํากัดหลวงปู่มั่นท่านก็จาริกไปอยู่เรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าท่านอยู่ไหนนะวัดไหนอําเภอไหนจังหวัดไหนเนี่ย ยากมากนะกว่าจะรู้หรือได้ยินท่านก็ย้ายไปที่อื่นแล้วหรือจาริกไปที่อื่นแล้วนะเพราะว่าจะรู้ได้ก็จากการที่คนเนี่ยบอกต่อๆกันนะปากต่อปากนะว่าตอนนี้ท่านอยู่อุดอรแล้วตอนนี้ท่านอยู่เชียงใหม่แล้วตอนนี้ท่านอยู่สกลนครแล้วน้องดึกภาพสมัยก่อนนี่การคมนาคมก็ลําบากจึงนะเป็นพระที่ เป็นผ้าผู้น้อยนะบางทีก็ต้องเดินเอานคะล้ายๆเป็นการจ่าลิกทุดดงเอาใช้เวลา น, านานเป็นเดือนพอไปถึงว่าสถานที่ที่เขาบอกเนี่ยหลวงปู่มั่นอยู่ตรงนี้เอาไปถึงท่านจาลิกไปที่อื่นแล้วถกว่าจะตามพบหลวงปู่มั่นได้ก็ใช้เวลานะนะใช้เวลาก็ไปพบท่านที่สกลนครโอ้ดีใจมากเลยได้เจอครูบาอาจารย์ สมัยนี้เรานี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเช็คทางเว็บไซต์ก็รู้แล้วครูบาอาจารย์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนช่วงนี้ท่านว่างหรือเปล่าหรือว่าท่านมีกิจนี่หมไปต่างประเทศนะรู้ว่าอยู่ตรงไหนพรุ่งนี้คืนนี้ก็เดินทางไปหาไปกราบนะไปศึกษาธรรมจากท่านได้ในยุคนี้สบายมากจริงนะสะดวกสบายทุกอย่างแต่ว่าไอ้ความสะดวกสบายมันก็มี ข้อเสียนะมันก็คือทําให้เราอ่อนแอได้ง่ายนะพอเจอความสะดวกสบายเข้าทุกอย่างอะไรก็ได้มาง่ายไม่ต้องดิน้นรนไม่ต้องสแสวงหาในด้านหนึ่งก็ทําให้ไม่ได้ฝึกความเพียรนะไม่ได้มีบททดสอบนะความตั้งใจความเพียรพยายามในแง่หนึ่งนะมันก็ทําให้ ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่อะไรที่ได้มาง่ายนะก็ทิ้งง่ายนะไม่ค่อยเห็นประโยชน์เมื่อคนที่ได้เงินมาง่ายๆเนะี่ยได้เงินมาจากการพนันก็ดีได้เงินมาจากการถูกหวยก็ดีคนเหล่านี้ก็ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะไม่ค่อยเห็นคุณค่าธรรมะก็เหมือนกันนะธรรมะที่ เรารู้สึกว่ามันได้มาแบบง่ายๆนะเปิดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าเปิดาทางอาคอมพิวเตอรนะ์หรือว่าไปหาง่ายๆเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเห็นคุณค่าการปฏิบัติก็เลยไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ในการ ปฏิบัติของผู้คนจะเรียกว่าเลาะแหละก็มีไม่น้อยนะทำแบบฉาบฉวยก็มากนะตอนนี้สมัยนี้เรียกว่าทุกอย่างอะไรอะไรก็พร้อมนะทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหนังสือนังหาตำรับตำรานะเสนาสนะอาหารน้ำไฟการคมนาคมนะแนวทางที่ท่านสอนนะก็แจ่มชัดนะ จากสิ่งที่ขาดก็คือว่าคนปฏิบัติเนะี่ย น, นี้คือปัญหานะขาดคนปฏิบัติหรือถึงปฏิบัติก็ขาดความตั้งใจเนะี่ยที่นี่เนี่ยนะบางทีพอเราสบายๆมากเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าอยู่ไปวันๆนนก็มีนะแม้แต่การทําวัดสวดมนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะบางทีก็ไม่อยากจะมากันนะเพราะว่าขี้เกียจนะ อันนี้มันมันแสดงว่ า, อ, าอ่อนแอนนะแล้วก็ไม่จริงจังนะทังที่การทาวัาโดโซนมนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องใช้ความเพียรอะไรเลยนะเพียงแต่ใช้ความตั้งใจเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะไม่เหมืออการอ่านะไปทุดดงหรือว่าแม้แต่การปฏิบัติธรรมนะเดินจงกรมสร้างจังหวะนะอันนั้นยัง อย่างญาติสัหน่อยนะมาเดินอามาสวดมนต์มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากทาาว่าธรรมะสวดมนต์นี่เรายังไม่ใส่ใจกันนะการที่จะสู้กับกิเลสนะการที่จะกล้าทวนกระแสกิเลสมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จริงนะไม่ต้องพูดถึงกิเลกก็ได้ เอาแค่ว่าเจอโลกธรรมฝ่ายลบนะเช่นเสื่อมลาบนะคำตอว่าดาทอติชินนินทาหรือว่าเสื่อมยศนะหรือว่าต่อไปก็ความเจ็บความป่วยไอ้พวกนี้เนี่ยมันมันก็คอยนะทยอยมาหาเรามันจะดาหน้าเข้ามาหาเราเรื่อยๆเข้ามาหาเราเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ฝึกฝึกปลือนะวิชา กรรมฐ า, านเอาไวนะ้ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจเอาไว้นะถึงเวลามันมานี่ก็เราก็เอาเราก็รับมือไม่อยู่นะอันนี้เราใช้โอกาสนะจากการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราได้ปฏิบัตินะต้องเรียกว่าโชว์โอกาสนะหลวงพ่อเขียนก็พูดเสมอนะให้รู้จักโชว์โอกาสโอกาสมีแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไป โอกาสส่วนก็คือการที่เรามีสุขภาพดีมีกําลังวังชาที่จะปฏิบัติทําได้นะเรายัางมีเร็วแรงที่จะสู้กิกเลสนะสู้กับความขี้เกียจนะสู้กับความท้อแท้นะถ้าเราเอาชนะมันได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะรับมือกับนิวรณ์นะที่จะพั่งพรูเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะ ใช้สตินะที่พัฒนาเนี่ยเอาไว้รับมือนะกับความผันผลลวนปลี่ยนแปลในชีวิตที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันมันมีกับดักเยอะเหมือนกันนะซึ่งถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมจริงแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับดักนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสได้นะต่อสู้กับวิชาได้นอกจากการติดในความสะดวกสบาย นะแล้วเนี่ยนะสรณนปฏิบัตินะหลายคนเนี่ยนะที่กล้าที่จะต่อสู้ับความยากลําบากนะพยายามทุ่มเทการปฏิบัตินะบางทีก็ไปเจอกับดักที่มันละเอียดประณีตนะอย่างพูดถึงหลว ง, งตามหาบัวเนี่ยนะตอนที่ท่านได้เจอหลวงปู่มั่นเนี่ยท่าน ท่านมีกำลังใจมากนในการปฏิบัติเรียกว่าทุ่มเทเลยทุ่มเทปฏิบัตินะทั้งกลางวันกลางคืนบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะนั่งปฏิบัติไปจนถึงเช้านะเรียกว่าสู้เต็มที่นะอันท่านทำนี่ไม่ใช่แค่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะทำเป็นเดือนทาเป็นเป็นปีเลยนะ จนกระทั่งสมาธินี่ท่านของท่านนี่แน่วแน่มากท่านเราว่าเนี่ยพอได้อยู่กับหลว ง, งปู่มั่นเนี่ยสองปีเนี่ยสองพรรษานี่สมาธินั่นแน่วแน่มั่นคงมากนะจิตไม่วันไหวไม่กระเพื่อมเลยนะไม่ว่าชีิตไหนนะจิตก็เป็นสมาธิจากขณะเดียวกันท่านก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรนะตาก็ไม่อยากเห็นหูก็ไม่อยากได้ยินเพราะว่ากลัวมันจะทำให้ใจกระเพื่อม ก็ก็พอใจกับการปฏิบัติพอใจกับสมาธิที่เกิดขึ้นมันเป็นความสุขเป็นความสงบมากนะจนกระทั้งท่านหลงเข้าใจว่านั่นอะคือนิพพานนะถ้าเราว่าทนติดในสมาธิถึงห้าปีเลยนะปิดในสมาธิห้าปีนะทวนนั้นท่านก็ชอบจาลิกไปตามป่าตามเขาไปอยู่ถ้าก็ยิ่งเจอที่ที่สงบสงัดนะ สมาธินี้ก็ยิ่งแน่วแน่มันคงพอกลับไปนะไปกลับไปไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็เห็นสังเกตอาการนะวันหนึ่งท่านก็เลยไปถามาาพระมหาบัวนะตอนทนังเป็นหนุ่มอยู่นะอายุแค่สามสิบว่าท่านมหาเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหมสงบดีหรือเปล่าท่านก็ตอบว่าสงบดีครับสบายดีครับหลวงปู่ม่นก็ถามอีกนะว่าเป็นยังไงตอนนี้สงบดีไหมท่านก็ตอบว่าสงบดีครับพอได้อย่างนี้หลวงปู่ม่นก็พูดท้วงอย่างแรงเลยนะว่าท่านจะนอนตายอย่างนี้หรือนะไอสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับ หมูขึ้นเขียงเนี่ยรู้หรือเปล่านะหมูท่านพูดแรงมากนะสมาธิเนี่ยมันก็หมูขึ้นเขียงมันไม่ได้มันรื้อถอนกี่เลสได้ที่ไหนนะที่ท่านทําเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชอสมาธิเมสัมมาสมาธินะก็ท้วงอย่างแรงเนี่ยนี่ยเระบอกเนี่ยสมาธิของท่านเนี่ยมันมันเป็นสมุทัยทั้งแท่งเนี่ยท่านไม่รู้หรือตอนนั้น อาจารย์มาโวนี่ท่านมีความมั่นใจมากนะในสมาธิของท่านเนี่ยท่านก็แย้งสิวันเนี่ยถ้าสมาธิของผมเนี่ยมันเป็นสมาธิเหมือนกับหมูขึ้นเคียงเนี่ยแล้วไอ้สมาสมาธิในมรรคแปดเนี่ยจะเดินยังไงนะก็มีการโต้เถียงกันนะบอกว่าพระที่อยู่ไกลๆนี่แต่คือนะั้นมาฟังเลยนะเพราะไม่เคยมีใครเฉียงหลือปู่มั่นแต่คือก็มาฟังนะการโต้เถียงกัน หลวงปู่มันก็ชี้เลยนะว่าสมาธิสัมมาสมาเที่ยงพุทเจ้านี่มันไม่เหมือนสมาธิของท่านมันเป็นสมาธิที่นะทําให้เกิดปัญญานะท่านเนี่ยแต่ท่านไปหลงเอาว่าี่มันปลื้อคืนนิพพานนะยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันเป็นสมาธินอนตายนะะท่านใช้ว่าสมาธิเหมือนกับหมูขึ้นเคียงนะพอพูดแรงๆนี่ท่านหลวงปู่อาจารย์มหาบุญที่ท่านได้สติเลยนะ โอ้ไดสติเลยก็รู้สึกผิดนะว่าเนี่ยไปเถียงครูบาอาจารย์นะเราสาวมาหาท่านเนี่ยเพราะคิดว่าเพราะเชื่อว่าท่านเนี่ยจะมาเรียกว่ามอบพร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตให้กับท่านนะถ้าไม่ถ้าเราเก่งจะมาหาท่านทําไมเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เก่งทําไมถึงเถียงท่านก็พอหลังจากนั้นท่ทานกนะ็กลับมานะหันมามันในเรื่องการ จะเล่นวิปัสสนาแทนท่านบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะหลวงปู่มั่นเนี่ยไล่ท่านออกจากสมาธิเลยนะไล่ออกจากสมาธิเลยให้หันมาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุพิจารณาขันพิจารณานเนี่ยเกสาโรมาณขาสันตเจโห น, นี่ยก็ปกว่าทําให้ปัญญาท่านเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตอนหลังท่านบอกว่าเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ ถ้าหลวงปู่มั่นนี่ไม่ฉุดท่านออกมาจากสมาธินี่ก็คงจะติดในสมาธินะจนจนตายเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นกับดักของนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติที่เรียกว่าไม่เฉยแฉะไม่ไมเ่เรียกว่าตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนี้แนละ้วก็มีกับดักอีกแบบหนึ่งนะ กับดักของคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นอ้างว่าเป็นนักปฏิบัติคือติดสบายนะพอติดสบายแล้วมันก็เลยปฏิบัติแบบเฉยชาไม่เอาใจใส่ส่วนคนที่ตั้งใจปฏิบัตินะเรียกว่าตายเป็นตายเนี่ยก็ยังมีกับดักอีกแบบหนึ่งนะเป็นกับดักสมาธิหรือความสงบนะพอติดสงบพอติดสมาธิแล้วเนี่ยก็ทําให้เพลินนะ แม้ได้คิดที่จ ะ, จะเจริญ น, นะเรียกว่าจเจริญเดินวิปัสสนาก็พอใจงั้นนะเขาคิดว่าสมาธิที่ตัวเองมีเนี่ยมันจะทําให้พ้นทุกทําให้นิพพานได้ทั้งที่ทั้งที่มันก็แค่ทําให้สงบชั่วคราวนะอันนี้เขาก็เหมือนกับหินทับหญ้านะพอทับหญ้าหญ้ามันก็ไม่เกิดหรือหญ้ามันก็ไม่โต แต่พอเอาหินออกในายามก็งอกใหม่ไอการเพลินในสมาธินี่ก็เป็นกับดักของนักปฏิบัติธรรมที่นี้เราไม่ได้เนนเรื่องการทำสมาธิประเภทหลับตานะแต่ว่าไอความสงบเพราะว่าจิตมันเป็นสมาธิก็เกิดขึ้นได้นะ โดยเพราะถ้าเกิดว่าเก็บตัวอยู่ในกุตินะไม่ออกไปไหนไม่เจอใครนะอันนี้ก็ยิ่งติดสงบได้ง่ายนะแต่ว่าติดสงบอันนี้อาจจะเป็นการติดสถานที่นะพอออกจาออกจสถานที่ก็จิตก็ว้าวุ่นแต่บางคนออกไปจากสถานที่ไปอยู่โน่นอยู่นี่ก็ยังสงบนะเพราะว่าอาศัยกำลังสมาธินะอันนี้มันก็ดีอยู่นะมีประโยชน์นะในแง่ที่ว่า ช่วยหล่อเลี้ยงใจให้มีเกิดความเพียรในการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยนะมันก็ต้องมีเครื่องหล่อเลี้ยงนะคนทั่วไปเนี่ยทํางานหนักนะหาทำมาหากินนะเรียกว่าตื่นแต่เช้าทํางานจนดึกนะอันนี้เขามีความสุขทางการเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะทำงานหนักก็จริงนะแต่ว่า อาศัยอาหารที่อร่อยอาศัยเพลงที่เพราะหรือว่าความสุขสนานเนี่ยเป็นเครื่องหลอเลี้ยงอันนี้เรื่อการมาสุขนะมันก็ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยนะทนอยู่นะทนทำงานอย่างในกรุงเทพเนี่ยบรรยากาศก็ไม่ค่อยน่าอยู่น่าทำงานเท่าไหร่นะแต่คนก็อยู่กันเพราะว่ามันมีความสุขทางการเป็นเครื่องหลอเลี้ยงแต่นักปฏิบัติเนี่ยเรา ไม่เชื่อว่าการมาสุขเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งได้นะเรามาปฏิบัติจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะเป็นอิสระจากการมาสุขนะเราก็ต้องมีความสุขอีกอย่างนะเข้ามาหล่อเลี้ยงใจนะความสุขนั้นก็คือความสุขจากสมาธิก็ได้นะไการผลจากสมถะเนี่ยมันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงใจให้มีความเพียนในการปฏิบัติได้ แต่ถ้าเวาเราเพลินนะกับสุขในสมาธิแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสมาธิอ่อนๆไม่ถึงกับสมาธิระดับชาญนะมันก็สามารถทำให้เร า, าหลงติดนะแล้วก็เนิ่นชาได้บางทีก็พอใจตรงนั้นแหละนะพอใจสงบแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแหละนะไม่คิดที่จะพิจารณารูปน้ำไม่คิดที่จะพิจารณากายใจ พอใจกับการกับความสงบที่ได้รับอันนี้มันก็เป็นเป็นกับดักนะเป็นอันตรายของนักปฏิบัติได้นะให้เราอย่าพอใจเพียงเท่านั้นนะให้รั่วมันเป็นเพียงแค่เครื่องหล่อเลี้ยงใจนะแต่ว่ามันเราต้องทํำมากไปกว่า น, นั้นนะมันเป็นเพียงแค่บันไดหนึ่งที่เราต้องก้าวต่อไปหรือก้าวข้ามไปให้ได้นะก็คือใช้อ่าใช้การภาวนาเนี่ยเพื่อยกนะา ให้เป็นวิปัสสนาซะยกการภาวนาของเราเนี่ยให้เป็นวิปัสสนานะก็คือการพิจารณากายใจนะกายเวทนาจิตธรรมนะระหงที่ปฏิบัติระหว่าที่เดินระหว่าที่ยกมือสร้างจังหวะก็ไม่ใช่แค่รู้สึกตัวนะเท่านั้นหรือว่ารู้สึกตัวก็ดีนะแต่ว่าพอสงบแล้วเนี่ยมันก็เพลินในความสงบนะไม่ได้รู้สึกหรือว่านี่เรากําลังเพลินในความสงบนะ แทนที <kiem> right, <king your dreams> ah. ่เห็นความสงบก็เป็นผู้สงบไปซะมันใกล้กันมากนะระหว่างเห็นความสงบกับเป็นผู้สงบเนี่ยฉะนั้นถ้าเราเห็นความสงบเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเออความสงบมันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วตลอดพิจารณาก็จะเห็นว่าอะไรเป็นปัจจัยของความสงบและอะไรเป็นเหตุให้มันดับไปนะแล้วความไม่สงบเราก็เห็นมันนะเออว่าอะไรเป็นเหตปัจจัยให้ความไม่สงบเกิดขึ้นและอะไรเป็นปัจจัยให้มันดับไป อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพิจารณานะซึ่งมันทำให้เราได้เห็นความเป็นจริงของรูปนามนะของกายและใจว่ามันก็ไม่เที่ยงนะแม้กระทั่งการเห็นว่าอไอ้ที่เดินเนี่ยมันเป็นรูปไอ้ที่คิดเนี่ยเป็นนามเนี่ยอันนี้มันก็สำคัญเหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเพลินพินเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าโอ้ที่เดินนี่เป็นรูปที่คิดเนี่ยเป็นนาม นะเพราะมันเพลินเนี่ยพอเพลินแล้วก็หลงนะมันไม่คิดที่จะไปพิจารณานะว่าสิ่งที่กําลังเป็นอยู่นี้เนี่ยนะมันเป็นแค่กายและใจที่กําลังทํางานนะไม่ใช่เราไม่ใช่เราเดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินไม่ใช่เราคิดทําเป็นนามที่คิดนะไม่ใช่เราโกรธนะแต่เป็นความโกรธที่เกิดขึ้นกับใจนะถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้านะ แล้วก็ยังก็จะหลงนะจมอยู่ในความจงหลงจมอยู่ในนะความยินดียินร้ายนะไอตอนที่เกิดความสงบก็ยินดีพอความสงบหายไปก็ยินร้ายพอมีเสียงมากระทบทําทให้ใจไม่สงบก็ขุ่นมัวนะพอต้องไปเจอผู้คนนะต้องทํางานนะเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็เกิดความขุ่นมัว นะเกิดความหงุดหงิดขึ้นแทนที่จะใช้ไอ้สิ่งที่ขัดใจเราเนี่ยมาเป็นตัวขับจิตใจงเราให้สะอาดนะขัดกิเลสของเราให้เบาบางก็จมอยู่ในความโกรธจมอยู่ในความาหงุดหงิดนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะกับนักปฏิบัติที่เพลินในความสงบในะท่สุก็ต้องเจอกับไอ้ภาวะอารมณ์แบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฝึกให้มีสติรู้ทัน แล้วก็ให้มีปัญญาเห็นความจริงเนี่ยมันก็จะหลงจมอยู่ในภาวะอารมณ์ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แหละยินดียินร้ายแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาละข้าเนี้พูดกันเท่านี้นะเอากับพระ